2. โจทกาธิปฏิปติว่าด้วยข้อปฏิบัติของโจ์เป็นต้น 363. ร้ย์โจพึงปฏิบัติอย่างไรจำเลยพึงปฏิบัติอย่างไรสงพึงปฏิบัติอย่างไรภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงปฏิบัติอย่างไรถามโจดพึงปฏิบัติอย่างไรตอบโจด พึงตั้งอยู่ในธรรม5อย่างแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นคือ 1. จึกโจทย์ด้วยการที่สมควรจกไม่โจทย์โดยการไม่สมควร 2. จงกโจทย์ด้วยเรื่องจริงจกไม่โจทย์ด้วยเรื่องไม่จริงสามจโจทย์ด้วยคําสุภาพจกไม่โจทย์ด้วยคําหยาบ 4. จ่กโจทย์ด้วยเรื่องที่เป็นประโยชน์จกไม่โจทย์ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์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 ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรอนพึงปฏิบัติอย่างนี้ว่าด้วยอุโบสถเป็นต้น364อถามอุโบสถเพื่อประโยชน์อะไรปรวารณาเพื่อเหตุอะไรปริวาสเพื่อประโยชน์อะไรการชักเข้าหาอาบัติเดิมเพื่อเหตุอะไรมานัตเพื่อประโยชน์อะไรอับพานเพื่อเหตุอะไร ตอบอุโบสถเพื่อประโยชน์แก erm ่ความพร้อมเพรียงปวารณาเพื่อประโยชน์แก่ความหมดจดปริวาดเพื่อประโยชน์แก่มานัทการชักเข้าหาอาบัติเดิมเพื่อประโยชน์แก่นิคหะมานัทเพื่อประโยชน์แก่อภานอภานเพื่อประโยชน์แก่ความหมดจดภิกษุ ผู้วินิจฉัยอธิกรมีปัญญาสามโง่เขาและไม่มีความเคารพในศิกขาบริภาสพระเถระลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะหลงเป็นผู้ขุดตนกําจัดอินทรีย์แล้วเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงนรกภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรไม่พึงเห็นแก่อามิต และไม่พึงเห็นแก่บุคคลควรเว้นสองอย่างนั้นแล้วทำตามที่เป็นธรรม